มีเชียงไปพระภิกษุผู้แสดงให้พวกวาจกบวาจิกาฟังภิกษุแปลว่าผู้ขอขอพึ่ง ท่านทั้งหลายให้ช่วยกันทำความดีและความชั่วเฉพาะพาสงเองมีไม่มากวาสุวาสิา ก, กายาโย ม, มีมากเป็นเจ้าของประเทศถ้าปิจุ <c oughs> ไม่มีจิตที่อะไรไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตัวเอง มีแต่บาทกีวอนเท่านั้นจึงขอ <c oughs> จึงขอพึ่ง <c oughs> ท่านทั้งหลายให้ช่วยกันเราดักอยู่นี้ร้อยกว่าคนเกือบสองร้อยแล้วตั้งพระทั้งวาศกวาสิกา การที่จะไปละความชั่วทําความดีตั้งต้นจากตัวเราเสียก่อนต้องมีสติมีสำชัญญะถ้ามีสติมีสำชัญญะมันก็ละความชั่วแล้วมันก็ทําความดีแล้วจิตของท่านก็บริสุทธิ์แล้วเป็นฌานเริ่มต้น <c oughs> ของก่อนทําความดี สองกับวความชั่วหากว่ามีสติแล้วจะพูดจะทำจะคิดอะไรก็มักจะถูกต้องสติต้องมากับเป็นคู่ปัญญามีแต่ปัญญามีความรู้ไม่มีสติก็ผิดพลาดได้พระพเจ้าเรียนรู้มาสมัยเจ็นเช่าผ้าชาย สิบเจ็ดศาสตร์จบมาจนเป็นอาชญามนุษย์ขนหนังเย็นเก่งแต่ยังไม่ไม่พ้นจากปัญหายังมีความโกรธความโลภความหลงขมทุกข์ <c oughs> มีปัญหา เห็นการเกิดเจ็เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องจะต้องมารับผิดชอบร่วมกันมีความทุกข์คนในโลกเนี่ยมีความทุกข์เป็นเบ้างหน้าจุความทุกข์ย่างเอาแล้วความเกิดก็เป็นทุกข์ความเจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพภาดพลาดแก่ของเลอของชอบใจเป็นทุกข์ ความไม่สบายกายก็มไม่สบายใจความครับแค่ใจใจก็เป็นทุกข์ปาถาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ธรรมฉนยัยการทำที่สุดแต่งกองทุกข์ทั้งเิ่นนี้จะเป็นปรากฏชัดเจ่เราจึงออกศึกษาเรื่องนี้กันนี้สติตำเอาเอง ไม่มีใครเป็นครูของเราจากเรียนตามครูอาจารย์อยู่หกปีไม่สำเร็จต้องมาฝึกตนเองนั่งอยู่ต้นสีมหาโพน <c oughs> มีสติดูกายเข้าไปเลยเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาเอาสถิเป็นนักศึกษาเห็นกายดังที่เราทำอยู่นี้ ถ้าเป็นหลักวิชาการก็ว่ากายานุปจนามีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนามันมีอยู่มีสติเห็นจิตมันก็มีอยู่จนเฉลยได้ที่ลองไปว่ากายสว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาแต่ก่อมันหลงกาย เอากายมาเป็นตัวเป็นตนหลายชั้นหลายชั้นเกิดจากกายเรื่องที่เกิดจากกายเอามาเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายไม่เห็นสักแต่ว่าลมร้อนก็เป็นทุกข์ความหนาวเป็นทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ มันถึงใจมันมีกายมีใจกายกับใจเนี่ยทะเลาะกันบาดแย่งกันลงโทษกันให้เป็นธรรมต่อกันเวลากายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์เวลาใจเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์ถูกสอนทั้งสองดอกเก็บทั้งสองอันเจ็บกายไม่พอเจ็บใจอีกจะมาเห็น นีส่สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิตไม่ออกกายมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ออกจิตมาเป็นสุขเป็นทุกข์ประกาศตัวเองเป็นอิสรภาพตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ออกกายมาเป็นสุขเป็นทุกข์จะไม่ออกจิตใจมาเป็นสุขเป็นทุกขก์มันจะเป็นอย่างไรคนที่มีคําตอบเพี้ยนนี้ แล้วก็รับความช่วยไปแล้วก็ทำความดีไปแล้วื่าทาความดีแล้วความช่วยได้มันไม่ใช่อยู่แค่นั้นยังก็ต้องไปบอกคนอื่นให้รับความช่วยทำความดีให้ทำกิจบริสุทธิ์ต่อไปจนสอนคนเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกเพียง แเตือนการเริ่มต้นพุทธการแเดือนเก้าเดือนมีพลหานเกิดขึ้นหนึ่งพันสองอยห้าสิบลูกพิจน์ได้ว่าเออนี่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลูกคนเห็นตาม ท, ท้งควรแก่ผู้ปฏิบัติชวนเรียกใคร่าดูชวนประกาศ จนได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธโธแต่ก่อนเป็นพุทธเจ้าพอสอนขอรู้ตามเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลงาน <c oughs> โยนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ต่างเก่าอยู่พ้นภาวะเดิมอยู่เรียกว่ากรรมฐานการกระทาแบบนี้มันพ้นภาวะเดิมมันเกิดวิปัสนามนลูกแจ้ง แก่งกวัวเก่าลุงอรุณเห็นที่เห็นทางถึงได้เกิดกับกายถึงได้เกิดกับใจไม่เชื่อมาเป็นทุกข์เป็นปัญญาแต่ก่อนปัญหาอยู่กับกายปัญหาอยู่กับใจเอาปัญหานั้นมาเป็นปัญญาได้เปลี่ยนทางนี้หรือว่าทำเรียกว่าทาให้ดีขึ้นเปลี่ยนได้ แต่ก่อนปัญหาเป็นปัญหาความหลงเป็นความหลงความทุกข์เป็นความทุกข์ความโกรธเป็นความโกรธแต่พอมาลู้แล้วความหลงกลายเป็นความลู้เสร็จแล้วเพราะมันหลงไม่จักลู่ความโกรธกลายเป็นความไม่โกรธความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ก็เรียกว่า พ้นภาวะเก่าพ้นภาวะเดิมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนอาจจะมีความลักจะเพาะพ่อแม่พี่น้องญาติของตนเพื่อนของตนคนอื่นไม่รู้จึงอื่นไม่รู้ พอมันเปลี่ยนไปมันก็ยิ่งใหญ่เรียกว่าอัปปมัญญาข่วงใหญ่ไพศาลความรักเกิดขึ้นแล้วจากการตัดสู้เกิดอะไรขึ้นเกิดความรักขึ้นมารักแบบพระพุทธเจ้าโย์นักรักที่สุดเลยงองเห็นคน ่าเกิดความเมตตาเรียกว่าพระพมมาราธนาให้แสดงธรรมพระพมก็คือเมตตากรุณาเมตตาเปขาทิ้งไม่ได้ทิ้งผู้ทิ้งคนไม่ได้ทิ้งอะไรไม่ได้เกิดความรักอันยิ่งใหญ่อดไม่หลนทนไม่ได้จึงเดินจากพุทธคยา ไปโน้นพ ร, ราณาสีโน้นต้องสามรอยกมเดินด้วยฝ่าพระบาทขององค์เองไม่มีรถตั้งเหมือนกับพวกเราทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะา ค, ความเมตตาเกิดความรักจะไปช่วยคนแม่ต่องค์ครีมานจับดาบไล้ฟันอยู่ก็ยังรักองค์ครีมานคิดจะช่วยเหลือจนช่วยได้ <c oughs> เนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยแต่เขาดา่าก็ไม่โกรธเหมือนกับในพระสูตรว่ามารยิงศรใส่มารกลายเป็นดอกไม้บูชาไปเลยไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธคนที่ดา่า เอาความด่าของเขามาเป็นการสอนตัวเองตังกิจะมานิกาเป็นมือของดิรัตถีที่อิจฉาพระพุทธองค์สร้างภาพเพื่อจะทำลายพระพุทธเจ้าทำท่าเดินเข้าเดินออกในเชอแต่วันตอนเช้าเช้าเดินออกไป ตอนเย็นๆข้ามๆเดินเข้าวัดให้คนเห็นว่าหญิงคนนี้เข้าวัดออกวัดตอ น, ตอนเย็นตอนเช้าหลายวันเป็นเดือนแล้วก็ <c oughs> บางแขนแล้วก็ทำท่าตั้งคันขึ้นมาเอาเอาเอาหมกน้ำ รู้จักบักน้ำไหมถ้าไม่รู้จักไปดูหนี่ต้นดังอยู่นี่ปลูกไว้เพื่อเป็นอุตเหอนนี่แหละบักน้ำที่นางกินจะมาเนกาเอาใส่ท้องหอ่อเอาผ้านุ่งรับไปแก้งเป็นมีคันเพื่อจะทำลายพระพุทธเจ้าเป็นลูกน้องฤร ถ, ถิีอิจฉา ก็บอกคนนั่งหลายว่าตั้งคันคนก็ถามว่าตั้งคันจากใครจากอัศวิะภิเตเจ้าเห็นไหมฉันเดินเข้าเดินออกทุกวันหลายวันมาแล้วคนก็รู้ข่าวกับช่อนไปในสวัสถีพระเจ้าอะไร เจ้าเมืองสวัสดีคืออะไรจำไม่ได้มันลู้จำมันลืมลู้แจ้งแบบปิปัจนาไม่ลืมหรอกไม่ลืมแ บ, บความหลงเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงลืมไปได้ดินที่สุดแล้วก็ประกาศ คนนั้งลายก็เฮฮากันนางจินจะมาเิกาก็ท่าทายวันนี้ของพิสูจน์ไปขี้หน้าพระเจ้าเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยทาท่ามานั่งเทศน์ั่งสอนอยู่คนทั่งลายก็ได้ยินพรเจ้าพูดขึ้น ขณะนั้นไม่โกรธ ด, ด่างกินจาามานิกาไม่ได้โกรธเลยเพียงแต่พูดว่ามีเราสองคนที่รู้จักกันเรื่องนี้คนอื่นไม่รู้มีเราสองคนเท่านั้นที่จะรู้จักพอผูดเจ้าตัดจากนี้นางนจ่ามานิกาอายโกรธจัดไม่สเร็จก็เลย ไม่อะไรประคองผ้านุ่งของตนแดงคนเกลียดไม่ระบังตัวก็กระโดดโลดเต้นได้มั่อกล้ามก็หลุดออกจากท้องตกลงไปคนก็เฮ ห, หากันอันนี้อ้ะวเจ้าพูดขึ้นเท่านี้เองว่ามีเราสองคนที่รู้จักไม่มีใครรู้จักกับเราดอก เท่ า, น, านั้นเองไม่ไ้โกรธเขาเพราะนั่นนี่มันเมตตาอันยิ่งใหญ่เราจะไปโกรธการทำลายไปเปลีป่ยนการทำลายเป็นเพื่อนเคยเจ็บเตายด้วยกันน้องช่วยกันแม่คนอื่นเขาโกรธเราก็ไม่ควรโกรธตอบเอาชนะความโกรธ้วยความไม่โกรธชนะตนเองอประเสริฐที่สุด ชนะคนอื่นไม่ไประเสริฐเลยบางทีเราเอาความโกรธไปอวดด้างกันถ้าได้โกรธแล้วไม่พูดกันเลยเอาอ้างกันเอาชนะกันด้วยจิตใจว่าใจดําคนนี้ถ้าได้โกรธแล้วไม่มองหน้าใครเอาความช่ว ย, ยนั่นไปอวดดางมึงรู้จะกูวไหมถ้ากูได้โกรธแล้วมึง ตายนะเี่ยก็เปเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ให้เกิดความเมตตากรุณาขึ้นมานี่มหากุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจนมาสอนผู้สอนคน 4.5 ปีจนปนนัตติเพปานตอนแต่ปรตติพนานก็สอนอุปกาชีวกเป็นสาวกคนสุดท้าย ได้เป็นพระลหันคนสุดท้ายนอนอยู่ที่สวนมันลลกกัตรัต์กุจีนาลาเรี่ยงมาอ๋อฟังเทศผู้รีเจ้าไล้ทราบว่าพระอตคงจะปาีิพานแล้วจะไม่ได้ฟัง พระอาโนนพระอารุธทธะพระหลายรูปทีบเฝ้า อ, อาพาธขององคไม่ยอมให้เข้าไปไม่มีฝาอะไรเอาผ้าจีวอดขึงไว้ไม่เข้าไปอาอุปการชีบอดก็ขอร้องทะเลาะกันกับพระอาโนนอุดวายเกิดขึ้น ใจจะขาดขอให้ได้ฝังทมจากพงสักน้อยวิ่งมาจากโอ้นเมืองป่าวานน้นเป็นชายเถอะพระคนเจ้าไม่ได้ไม่ได้เถียงกันเจ้าเจ้าก็ได้ยินอะไรอาโนอนอะไรก <c oughs> ารอาโนนบอกว่ า, วามีชูชกคนหนึ่ง อยากจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าก่าพระบาทถึงไม่ให้เข้ามาพระเจ้าว่าให้เขาเข้ามาอาโนนให้เขาเข้ามาให้เป็นลายบินเข้าไปกราบพระเจ้า่าพระบาทของผมขอฝังทำสักหนอยพระเจ้าก็ตัดว่า อะไรัรสูตรเนี่ยวะอยาอธรรมมาสังขาปรปมาเทนะสัมปาเทธว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังพ่อไม่มาตให้ถึงพร้อมเถิดอาจังตถ า, าคตัสสะปัจมาวาจานี้เป็นพระวาจาอันมีในขั้งสุดท้ายของพุทธเจ้า เพราะว่าคํานี้ก็พุทธองค์ก็ปนิปันธ์แล้วตวอาชีวไต่บันรู้ธรรมก็ไม่ประมาทเคืออะไรก็ไม่ประมาทคือมีสติเนี่ยนะสติเนี่ยก็ไม่ประมาทก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดรู้สึกกองออกมาซะก่อนจึงค่อยพูดจึงค่อยทําจึงค่อยคิดมักจะถูกต้อง มาก่อนปัญญาสติจับปัญญามาใช้จับคำพูดมาใช้จับกายมาใช้จับจิตใจมาคิดเดี๋ยวนี้บาจามันใช้เราจิตใจมันใช้เราความคิดมันใช้เราบางคนอยู่ในดงกอความคิดจนจนเสียคนไปก็ไม่มันใช้เราไม่ยอมให้ว่างเปล่า เอาคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดมีความสุขควมทุกข์ความคิดมันอะไรกันแค่นั้นนะไม่ใช่มีใครจับมีดจับปืนมาวางครับคิดขึ้นมาก็ดําตาล่วงน้าตาไหลกินไม่ลงมันอะไรเป็นเช่นนั้นเพราะไม่ฝึกตนสอนตนกวมคิดเป็นใหญ่วัดโกตโตจึงจะพูดลองในการทางอื่นไม่ค่อยมี ขอร้องให้พวกเราได้ช่วยกันเถอะนั่งอยู่นี่มีแต่ปัญญาชนมีความรู้มีการมีงานอันเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งนั้น <c oughs> มีความสำคัญจึงมาช่วยกันเราก็มาใช่ตัวเราคนเดียวนั่งอยู่นี่ บางคนอาจจะมีลูกมีเมียมีสามีพัญญาบางคนมาทั้งสองคนอาจารย์มิ่งอาจารย์มริจิตนั่งอยู่นั่นสามีปัญยากันได้ยินไหมสองต่อู่จุน <laughs> ถ้าเราเป็นคนดีใครจะมีความสุขแล้วเราเป็นคนชั่วใครจะมีความทุกข์ไม่ใช่เราคนเดียวนะ ถ้าเราเป็นคนดีอาสามีเป็นคนดีปัญญาก็มีความสุขปัญญาเป็นคนดีสามีก็มีความสุขความดีที่เกิดกับเราเป็นสวรรค์นิพพานเลยเห็นหน้ากันนะ่ะสามีเห็นหน้าปัญญานะอิ่มใจเย็นใจสุขใจมาจากไหนเมื่อย เ, เห็นหน้าปัญญาก็หายเหนื่อย ปัญญาเห็นหน้าสามีเป็นคนดีก็อิ่มใจเย็นใจหายเหนื่อยมันเย็นได้ถ้าเราเป็นคนชั่วทำให้ร้อนได้เห็นหน้ากันก็ร้อนดีอะไรมาเกิดจากนั้นขึ้นมาเราจะมาช่วยกันเถอะคู่ชีวิตกันแท้ๆพ่อแม่ก็มีลูกหลานเพื่อนบ้านมี ทำไมไปทะเลาะกันยชฉากันประเทศไทยมีเชื้อเหลืองเชื้อแดงกขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองอายคนนี่หรือเหมืองพุทธศาสตร์หรไม่มีใครบอกเหรอบัตปาโูตตอขอพูดเรื่องนี้กันขอบอกว่าไม่ดีจริงๆความโกรธความหลงหนาเป็นอาบายะภู ม, เภ ม, เภมิเป็นอาบายมุกเป็นอกุศล คิดหายได้แล้วมันใหญ่ขนาดไหนเพียงแต่ความ ร, มรามลคมร้ความโกรธความหลงความรู้ความโกรธความหลงมาจีช่างขีแม่หม่มีสตาวาวดมาบังคับเราไหมมันไม่มีมันเกิดจากอารมณ์จิตใจของเราคนเองเพราะทำไมไม่มีสติมันเถื่อนกายมันเถื่อนใ้มันเถื่อนอะไรก็สอนสอนได้หมด ทั่วทั่วไปต่คิดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ไม่ไม่ใช่แล้วมนุษย์เป็นชดสังคมให้สงสารไม่แต่เม็ดตินเม็ดหินเม็ดสายหรอกอย่าไปสงสารแต่พรอะอะไรที่เราถูกใจเราจะให้คนทั้งหลายถูกใจเรามาแล้วแม้แต่เราก็ยังไม่ถูกใจตัวเองคุมลายคุมดี มีใจก็พึ่งไม่ได้จะให้ใครมาถูกใจเราอะเ น, นั้นจึงฝึกตนสอนตนให้มากการเถอะพวกเราไม่สายเกินไปว่าเราต้นต้นจากตัวเราแล้วนับหนึ่งจากตัวเราเอาลูกพ่อนี่แม่นี่เราคนหนึง่งจะต้อง ทำความดีจะท่องรับความชั่วความดีมีเท่าไหร่จะเพียรพยายามทำความชั่วมีเท่าไหร่จะเพียรพยายามละอะไเช่นเกิดความดีจากเรามันไม่อดที่จะต้องทำนี่วัดป่าชุกโตวัดมาหาวัน <c oughs> จะเดินธรรมยัตตาปีสองพันล้อห้าสองเป็นเวลาปีที่สิบแล้ว ช่วยธรรมชาติช่วยแผ่นดินช่วยแม่น้ำช่วยป่าไม้ช่วยอากาศได้ยินไหมพวกเราป่าไม้ร้องให้ได้ยินไหมแม่น้ำรบป่วยเห็นไหมแผ่นดินเป็นอมาพาตเห็นไหมอากาศเป็นพิษเห็นไหมแล้เจอจะอยู่ไหนเรา มีทีสุกโตห้ารอยไร่เท่านั้นที่เดินอยู่เหยียบแผ่นดินได้สบายไม่มีสารพิษอยู่เนี่ยนอกชาวนั่นมีบทรอยแต่ก่อนเราไปไล่ปนากินด้ามไหนบอกปัวบอกควายได้เดี๋ยวนี้มันกินไม่ได้ไม่แต่อาก็คันไปหมดแล้วป่าไม้ร้องให้ถูกไฟเผาถูกทาลาย โลกร้อนเกิดขึ้นทะเลมหาสมุทรปรับตัวเป็นขึ้นฉิเมนาด้มตายไปเท่าไหร่โลกมันร้อนตราเจ้าอาศัยอยู่ไหนเราเจ่งเหนออะไรเจ่งไหนโลกน่ธรรมชาติเจ่งกว่าเราไม่ใช่เรายิ่งใหญ่ทำอะไรก็ได้มีใครช่วยโลก แม้แต่ขยะก็เต็มบ้านเต็มเมืองเราเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไปทำมายาตาา่ละรีเนี่ยตรวจเลือดเอาสารสุกไปด้วยเอาหมอไปด้วยตรวจเลือดในชาวบ้านในรุ่งแม่น้าลาบเทาเนี่ยตั้งแต่ยอดน้าถึงสุดสาย เรวยเาเดินอยู่เจ็ดวันสิบวันตีข้องลองเป่าไปชวนชาวบ้านมาดูมองดูที่ทิศเหนือเป็นไงทิศใต้เป็นไงตะวัน ต, ตกตะวันออกเป็นไงภูเขาหูร่นหมดแล้วใครเป็นคนช่วยธรรมชาติเนี่เราอยู่ที่นี่ โตธรรมารจิญอยู่เราไม่ลูกไม่หลานอยู่นี่เราหายใจอยู่นี้เราใช่แผ่นนี้เราใช่แม่ น, ามน้านี้ป่าไม้ลองให้ได้ยินไหมมาดูแม่น้ำให ร, ร่มป่วยสํารวจได้การเสิรสายนา้าเอาไอ <c oughs> จ, จําจิตกรรมตามบ้านต่างๆไปตักเอาจัดน้ำขึ้นมา ตาขายเด็กๆเท่าหนึ่งพุดธสองพุทนึไปตักแต่น้ามาได้แมลงในหน้ามาแมลงในน้ามันคืออะไรไม่นอนถ้าที่ใดไม่นอนยะแปลว่าน้าเสียเน่าแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนในน้าน่แมงละงํำแบงคันโซ่แมงข้องแขนกินได้ เดี๋ยวนี้ไปตักมาโรชิเพียงนั้นตารางเม็ดเดียวได้หนอนขึ้นมาเยอะแยะเลยมีแต่หนอนหน้ามันเสียเรียก ว, ว่ามันหน้ามันเน่ากัแล้วเราจะยองไงใครเป็นตัวแทนของธรรมชาตินี่วัดป่าสุกโตวัดป่ามหาวันขอเป็นตัวแทนธรรมชาติมาช่วยกันเถอะตาไม้ตัวรลาย น้ำลมป่วยเป่นดินตายไปแล้วแต่ก่อนปลูกข้าวได้กิเดี๋ยวนี้ปลูกไปได้หัวมันสมัยก่อนเท่าแขนเนี่ยเดี๋ยวนี้เท่าหัวแม่มือเนี่ยสองปียังค่อยเก็บได้มันตายไปแล้วทำไมจึงตายกร ม, มกโซนฆ่ามันลงไปคนจะพยายามฆ่าหญ้าไม่มีจักเช่นในโลกเนี่ย ได้ที่ไหนกรรพักรรโซนขีดลงไปตายหมดถ้าในโลกนด้ไม่มีมย า, าเช่นเราก็อยู่ไม่ได้โตอยู่ไม่ได้แน่นอนเนี่ยใครเป็นคนทำมนุษย์เนี่ยเป็นกนทำเราจึงช่วยกันเรเนื่างน้กันอากาศก็เป็นพิษ <c oughs> เอาวนี่บางทีมันก็หายใจเลย หายใจก็อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเป็นพิดออกมือสอดเข้าหือจมกูกดำพุทธเลยต้องเสื้ออากาศหายใจไปที่ไหนต้องจอไปจะต้องพกออกซิเจนไปด้วยไปตรวจเลือด <c oughs> จุมชนแปดสิบเปอร์นเลือดบวก บางคนวยวไม่เคยซื้อผักตลาดมา ก, กินไม่เคยกินอาหารที่มีสารพิษแล้วถามเขาว่าคุณคุณเดินไปไร่ไหมก็ไปทุกวนะันในที่คุณเดินไปมีคนชีจาไหมมีผ่านป่าผ่านสวนเขาคนเดินผ่านไร่ของคนอื่นไปก็เดินใช่น้ำคุณใช่น้มไหม นั่งป่าทุกวันถูงเข้าวของป่ากันทุกวันนั่นแหละแม้แต่ลงตาก็กลายเป็นโกคมะเร็งแล้ว <c oughs> อะไรมันมันมันผลพ่วงมาน ะ, ะที่นี่เขาถือว่ากันที่ไว้บ้างน้าในนี้น้ในฉะเนี่ยไม่มีน้าอื่นไหลเข้าไม่จะ่น้มในป่าไม่มีสารพิษใด น้ำอื่นการที่ออกไปให้ไหลออกไปข้างนอกเราใช้น้ำที่นี่ปลอดภยัยน้ำเดมก็น้ำฝนน้ำฝนที่นี่บริสุทธิ์ไม่มีมนภาวะแล้วก็กองอยู่เจนังเขาชื่อเครื่องกองมวยมีคนสงสารอาหารก็พยายามให้ออกจากเตาร้อน คิดว่าจะให้ปลอดภยัยจึงข้าชวนท่านมาที่ไหมไม่เฟืดอยเักันไปไม่ลำบากกันไปยินดีต้อนรับกินดีต้อนรับมาที่นี่ไม่ต้องขออนุญาตจากาครเป็นบ้านจวนลของพวกเรามอบบ้านให้อยู่ก็ไม่แอดกันเท่าไหร่นะห้าร้อยไร่ <c oughs> ขนาดนี้ก็ อย่าจนพวกเราอย่าทุกคนเดียวอย่าหลงคนเดียวบอกเราด้วยเราเจงเพื่อนของคนทุกปินหาให้ทุกใจมาศึกษาสนทนากันได้ถ้าทุกกายต้องไปหาหมอถ้าใจกางบนเรื่องใดมาได้ก็ได้นะจะเป็นเพื่อนไม่ทอดไม่ทิ้ง เก็บแค่ไดป่วยถ้าหมอไม่รักษาแล้วหมดสภาพแล้วมาตายที่เด็กก็ได้จะบอกวิธีตายฮะ <c oughs> จะบอกวิธีตายเพราะเคยตายมาแล้วหลังตาเคยตายมาแล้วนะไม่ทอดไม่ทิ้งมีที่เผาด ว, วยนะไม่หลังเกียด ด้วยใครมีอายุแก่อยู่ที่บ้านกับลูกกับหลานลำบากมาอยู่ที่นี่นะอยากได้คนเจอได้ลออ้อมขามอยู่เป็นเพื่อนคืนก็ น, นอนด้วยกันจะไปทอดมันทิ้งแล้วนะแน่น อ, อนคือ เ, อเจอเจ็บตายชีวิตของเรานะจะไปเจองนานไหน เตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้การปฏิบัติธรรมในกะานเรเจรจาชดีเพื่อการนี้โดยตรงเป็นการเพื่ออนี้โดยตรงอย่างไรดูเอามันมันเห็นไม่ใช่เป็นนะเห็นอะไรเห็นกายไม่เอากายเป็นตัวเป็นตนเห็นแล้วเห็นว่ากายจากว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกรโตตนโลเขาขี้หน้าเห็นไม่เป็น มันสุขเห็นมันสุขมันท so> er ุกข์เห็นมันทุกข์ดูซิมันขึ้นแล้วแต่ก็มันต่าๆมันสุขเห็นมันสุขอันเห็นมันคนละอันกับความสุขนะมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์มันสุขเห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขมันคนละอันกันกับชีวิตที่ภาวะเนี้ยมันเจ็บเห็นมันเจ็บ มันจะตายเห็นมันจะตายไม่ได้เป็นผู้ตายมันก็เริ่มต้นไปขึ้นโสงไปขึ้นโสงไปโสงไปโสง่าเห็นมันเจงขอผูอ้ตาสลว่าเห็นไม่เป็นเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นนะ แล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นเช่น น, น, น, ชนั่นเองขั้งจุดท้ายการคําพูดจุดให้พุทธเจ้าตัดไว้ตัทธตาเป็นเช่นั่นเองแต่ว่าเป็นเช่นนั่นเองมันก็สักแต่ว่าก็ามไม่เที่ยงเป็นความไม่เที่ยงมมก็เปทุกเป็นของเป็นทุกสักแต่ว่าไม่ใช่เรามีเหมือนกัน ความไปเที่ยงก็มีแต่ก่อนความไปเที่ยงเป็นทุกข์เห็นความไปเที่ยงมันไม่ใช่ทุกข์แต่ก่อนความไปเที่ยงมาเป็นทุกข์เสียใจลงให้เพราะความไปเที่ยงพัดภาคจากของเราของขใจเพราะความไปเที่ยงมันจากเราไปเสียใจเป็นทุกข์ัจบัดนี้อันความไปเที่ยงเป็นนิพพานได้แต่ก่อนความเป็นทุกข์เป็นทุกข์ วันนี่ความไปทุกข์เป็นนิพพานเลยเปลี่ยนไปได้อ่าใครว่าหุวเจ้าหัวเจ้าว่าจาังนะต่อสอนวางนะลองสวดดูจิไม่ชีสวดนี่ฟังจะหน่อยดูฮะตีตะคะาคาถาว่าได้ไหมอาอทุกคนสวดดูสับไปว่าพร้อมไหม ัพเพสังฆาลาาัยจาติญาติญายาปัพญาไม่มีใครได้เลย <laughs> ชาวพอย่างไหแใช่นี่ก็ไม่ได้ไปจำอะไรจำเสียงเพลงเหรอดองเพลงดีจนวันก็ได้เลยอันอย่างเนี้ยนี่ไม่แต่นะแตีค้องไม่ใช่ไงโอยทาไงถ้าเป็นมหายานเนี่ย หลวงตาเคยไปอยู่กับมหายานนะแต่ยังครับว่าอะมิโตโภอะมิโตโภอะมิโตโภอะมิโตโภจนเสียงข้องค้างหมดตีเออะมิโตโภอะมิโตโภอะมิโตโภอะมิโตโภมวจีหลวงตาก็ว่าตีข้องกระปัพุทธธรรมมังสังกังลองว่าไปคิดไปไหนเขามหาตัวเอง ว่าตัเจเมือ่อใดบุคคลสเพสังขาราในจติญาธาปัญญาญาปัชาติเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อน่านย่อมเหน่อยได้เปิดตั้หนังสือนง่เบลลอันนี้เออตีใคหน้าขาถาเอา้าให้เห็นกับตาไม่ใช่หลังตาว่ามีหนังสือทำวัดไหม ส่วนบทพิเศษประมาณหน้ายนะี่สิบแปดนฮตามีนงเอให้เห็นกับตาจะได้เอาเป็นเกณขี้วัดของตัวเองอ่ะมันอย่างไงเราเห็นไหม สเพสังคาราอนิจาติญาาปัญญาญาปัจจติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งบวงไม่เที่ยงเมื่อนอน ย, ย่อมหนื่อยนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนอนแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานดันเป็นธรรมโมจดสเพสังคาราทุกขาติยาธาปัญญาญาปัจจติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนอนย่อมหน่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงน่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานด้านเป็นธรรมหมดจดใจเย็นไหม้ระเจ้าสอนอย่างนี้เอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ได้ไงเอาควา ม, มาเนทุกข์มาประทุกอย่างไรเอาความไม่เที่ยงมาเป็นนิพพาน เอาความทุกมาเป็นนิพพานมันดับนิพพานคือมันเย็นลงไม่ล้นไม่ร้อนประความทุกมันเย็นลงแล้วมันอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่เมืองไหนอยู่ในใจเรานี่ให้มันเย็นจ้าเห็นหน้ากันเย็นใจรักเวินยากันเห็นหน้ากันเย็นใจนะคนไทยทั้งประเทศเห็นหน้ากันเย็นใจ พึ่งปาใจกันได้นะให้มั่นใจตัวเองอย่าคุมร้ายคุมดีฝึกตนสอนตอนนี่วัดป่าสุโกโตขอสอนกันอย่างนี้นะคนหมอเมื่อวานนีอยากจะเผยแพร่แ ผ, แผนซีดีจะบริจาคเงินที่ไหนบอกว่าวัดป่าสุโกโตไม่มีทู้บริจาค ถ้จะสร้างแผนที่ดีก็มีอาจารย์สงสินอาจารย์โต้จรโนดจรย์วันนี้ยราอัดบันทึกทุกวันใช่ไหมมีไหมทุกวันไหม <c oughs> สนใจอย่างนี้ที่นี่มีแจ ก, กมีหนังสือไม่ใช่ที่นี่พิมพ์ที่นี่จนอยู่พิมพ์หนังสือไม่ได้ ท, ทําทีดีก็ทําไม่ได้ แต่คนเหนือไปทำมาแกกเขาให้มาแล้วมาแจกที่นี่แกกตลอด <c oughs> แต่บางทีก็หมดไปนะคนอื่นเขาเผยแพร่มีหลายหลายคนชมลมเพื่อนคุณธรรมบ้างกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมบ้า ง, รรางเขาเพิ่มมามาให้ที่นี่แจกนี่ก็เลย แล้วก็ให้โยมเรรวยให้พระในจนให้วัดในจนเอาจะมาช่วยเฉยๆนะพอพออยู่กันได้ที่นี่ไอ้วังก็มีด้วยประการช น, นีกับพระพร้อมกัน